ในอัตถกถาป ส, สูรสูตรนิเทศที่แปดเนี่ยนะหน้าเจร้อยแปดสิบอธิบายถึงคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะตามสัพที่กล่าวไปแล้วว่าบทว่าโสหิภคะวาอโคจะความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเชื่อว่าเป็นผู้เลิศเพราะไม่มีใครเหมือนคือเพราะไม่มีใครมีปัญญาเสมอเนี่ยนะ ว่าปัญญาเนี่ยให้เสมอยังไม่มีเลยจะกล่าวไปยัยถึงผู้ที่มีมปัญญามากกว่าเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ที่มีปัญญาเสมอด้วยกับพระพุทธเจ้าด้วยกันเท่านั้นบดว่าเศรษฐโจอความว่าเชื่อว่าเป็นผู้ประเสริฐพระาอาธาวิวาไม่มีใครเปรียบเทียบด้วยคุณทั้งปวงเนีนะขุณธรรมทั้งปวงเนี่ยไม่มีใครเอาไปเทียบกับพระพุทธเจ้าได้ไม่ว่าจะเป็นศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะเนี่ยนะ ไม่ว่าจะเป็นคุณธรรมชั้นใดก็ตามอะไรก็ตามไปเปรียบกับพระพุทธเจ้าไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวเพราะพระองค์จึงชื่อว่าเศรษฐโถเนี่ยนะก็คือผู้ประเสริฐโมกโขจะก็คือเป็นผู้พ้นเพราะพระองค์เนี่ยพ้นจากกิเลสพร้อมทั้งวาสน า, านะกิเลสที่อยู่ในจิตใจเนี่ยละได้สิ้นเชิงวาสนาคือความประพฤติที่ไม่ดีทางกายวาจาที่เคยอบรมมานี่ก็ละได้โดยเด็ดขาดไม่มีเหลืออุตตโมจะ ja ความว่าเชื่อว่าเป็นผู้สูงสุด เพราะไม่อวดอุตตริมนุสธรรมของพระองค์เนี่ยนะคือไม่เที่ยวอวดเพื่อที่จะยกให้คนยกย่องนับถือเป็นต้นเนี่ยไม่ใช่ปวโรจะชื่อว่าบาวรเพราะเป็นผู้ที่ชาวโลกทั้งมวลปรารถนายิ่งเนี่ยนะผู้ใดก็ปรารถนาที่จะพบที่จะเห็นพระพุทธเจ้านะของเรายังปรารถนาที่จะพบปะเจร เ, เจอพระพุทธเจ้านี่ถ้าพระองค์ยังมีพระชนอยู่นะสงสัยสับประสาทเนี่ยโห พ, พากันเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าหาประมาณไม่ได้ติดตามกันเนี่ยนะ อาจจะไม่รู้กี่พันล้านเนี่ยนะที่ติดตามพระพุทธเจ้าเนี่ยนะนั้นสำนวนว่าแหมจะต้องจัดเวลาเข้าเยี่ยมเข้าชมมันนะเพระพระองค์เนี่ยผู้ใดก่อยปรารถนาจะพบปรารถนาจะเห็นปรารถนาจะฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าหกบทว่าโสหิภควาเนี่ยนะมหาปัญโยเป็นต้นให้พิสดารแล้วในห้นหลังที่พูดถึง บทว่าปัญญาประเภทกุสโลความว่าเป็นผู้ฉลาดในประเภทแห่งปัญญาซึ่งมีวิกับไม่มีที่สุดของตนนะนะคือมีปัญญากว้างขวางมากะนะบทว่าปภินญยาโนความว่าได้แก่ญาณชนิดไม่มีที่สุดแม้เมื่อมีความเป็นผู้ฉลาดในประเภทแห่งปัญญาท่านก็แสดงความที่ปัญญาเหล่านั้นน่ะมีประเภทไม่มีที่สุดนั้นอย่างแกในปฏิสัมพิทายกญาณ เจาขึ้นมานั้นก็เป็นเพียงตัวอย่างนะเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นน่ะจริงๆแล้วปัญญาก็มีมากกว่านั้นกว้างขวางกว่านั้นหาที่สุดไม่ได้บทว่าที่ขตะปฏิสัมพิโทวความว่าพระองค์นี้ได้เฉพาะซึ่งปฏิสัมพิทาสีบทว่าเจตุเวสารชัปปัตโตนันะพระองค์นี้บรรลุญาณกล่าวคือความเป็นผู้แกล้งกล้าสี่อย่างพระองค์เนี้ยมีความแกล้งกล้าสี่อย่างสี่อย่างคืออะไรดูก่อนพี่สูจนทั้งหลาย เราไม่พิจารณาเห็นนิมิตนี้ว่าสมณะพราหมณ์เทวดามารพรมหรือใครๆก็ตามในโลกจกทักท้วงเราด้วยธรรมะในข้อนั้นเลยว่าธรรมะเหล่านี้อันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงปฏิญาณธรรมะเหล่านั้นอ่ะมิได้ตรัสรู้ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเมื่อเราไม่พิจารณาเห็นนิมิตนี้ย่อมเป็นผู้ถึงความกเกษมถึงความปลอดภัยถึงความเป็นผู้แกล้วกล้าอยู่ เขาให้บอกว่าท่านปฏิญาณว่าเป็นสัพพัญยูรู้สรรพสิ่งนะนะแต่ว่าท่านยังไม่รู้เรื่องนั้นเรื่องนั้นเป็นต้นเนี่ยไม่มีใครจะไปทักทวงพระพุทธเจ้าโดยธรรมนะแต่คนหาเรื่องมีแต่ว่าถ้าจะกล่าวโดยธรรมคัดท้านพระพุทธเจ้าโดยธรรมว่าพระองค์ไม่รู้เรื่องนั้นเรื่องเนี้ น, นี่ไม่ใช่ดูการพ่สู่ทั้งหลายเราไม่พิจารณาเห็นนิมิตนี้ว่าสมณะพราหมณ์เทวดา ม, มารพรมหรือใครๆก็ตามในโลกนี้ จักทักท้วงเราด้วยธรรมะในข้อนั้นได้เลยว่าอาสะวะเหล่านี้ของพระขีณาสพผู้ปฏิยานธรรมะนั้นยังไม่หมดสิน้นอันนี้ก็ไม่มีใครกล้าไปตรัสว่าพระพุทธเจ้าโดยธรรมนะว่าพระองค์เนี่ยนะยังเหลือราค่าเหลือโทสะเหลือโมหะอันนั้นอันนั้นอยู่เป็นต้นเนี่ยไม่มีนะก็เอ่อที่สมว่าก็ธรรมะเหล่าใดที่ตรัสว่าเป็นธรรมอันตรายเมื่อเสพเฉพาะธรรมะเหล่านั้นไม่เป็นไปเพื่อ อ, อันตราย อันนี้ก็ไม่มีใครกล้าพูดด้วยสมมติว่าเออถ้าเป็นปราชิกแล้วนะยังอยู่ในสมณะเพศแล้วจับได้บรรลุมรรคผลอันนี้ไม่ใช่ฐานะมันปราชิกก็คือตามยอดด้วนนะเหมือนตามยอดเดือนเหมือนใบไม้เหลืองที่หลุดจากขั้วเหมือนกับอะไรหินที่แตกเหมือนคนคอขาดเนี่ยนะปราชิกสี่ก็ฉันนั้นมันไม่สามารถที่จะเจริญงอกงามได้หรอกทีนี้ก็บอกว่าโอ้ข้าพเจ้าปราชิกแล้วข้าพเจ้ายังบรรลุเป็นพระอรหรันเนี่ยนะ ถ้าทักพูดโดยชอบทำนี้ไม่มีไว้แต่กล่าวตู่เป็นต้นน่ยและข้อสุดท้ายก็บอกว่าก็พระองค์แสดงธรรมเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใดธรรมะนั้นเมื่อผู้ทําตามไม่ออกไปจากทุกข์โดยชอบ น, นะนะท่าบอกว่าอริยมรรคนะที่พระองค์แสดงเนี่ยถ้าผู้ใดเจริญอริยมรรคออกจากทุกขแต่บอกว่าผู้ใดบอกเจริญถึงอริยมรรคแล้วอ่ะแต่ไม่ออกจากทุกเนี่ยคำพูดโดยชอบเนี่ยไม่มีนั้นอันนี้แหละที่พระองค์เนี่ยทำให้เป็นพวกแกล่าก้านะว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลาย เมื่อเราไม่พิจารณาเห็นนิมิตนี้ย่อมเป็นผู้ถึงความเกษมถึงความปลอดภัยถึงความเป็นผู้แกล้วกล้าอยู่นะโดยเหตุผลเหล่านี้แหละทําให้พระองค์นั้นเป็นผู้แกล้วกล้านะคือไม่มีใครท้วงว่าพระองค์ยังไม่รู้เรื่องนั้นพระองค์นี้ยังมีกิเลสตัวนั้นตัวนั้นไม่มีใครท้วงว่าเออที่พระพุทธเจ้าว่าปราชิกเนี่ยห้ามบรรลุมรรคผลนะถ้ายังอยู่ในเพศภิกษุเนี่ย ก็อันนี้ก็ไม่มีใครท้วงได้หรือว่าอริยมรรคธาเจริญแล้วไม่ออกจากทุกจริงอันนี้ก็ไม่มีใครท้วงได้อันนี้แหละเรียกว่าเจตุเวสารัชปัตโตถึงพร้อมด้วยความเป็นผู้กล้วกล้าสี่อย่างบทว่าทศพลทศทศภละภละทารีความว่าชื่อว่าทศพลพระธารว่าทรงมีกําลังสิบกาลังทั้งหลายของพระทศพลชื่อว่าพระทศพลชื่อว่าทรงกําลังของพระทศพล พระาธรรมว่าทรงกําลังเหล่านั้นแสดงเพียงหัวข้อประเภทธรรมที่ควรแนะนําซึ่งมีประเภทมากมายจริงแล้วก็อันนี้ยกมาเป็นตัวอย่างให้ดูเฉยเฉว่าพระองค์เนี่ยบริบูรณ์ด้วยยานที่เป็นกําลังของพระองค์สิบอย่างนะมีฐานาฐานายานเป็นต้นคําว่าพระองค์นี้เป็นบุรุษผู้องอาจเพระาะถรรมว่ายอมรับตกลงกันว่าเป็นมงคลด้วยสามารถประกอบด้วยปัญญาเนี่ยนะ ในบรรดาผู้ที่เป็นมงคลทั้งหลายเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเป็นมงคลที่สุดนั้นพระองค์เนี่ยเสด็จไปที่ใดไปแสดงทำอะไรก็ตามเนี่ยตัวมงคลจริงๆก็คือพระองค์นั่นแหละนะพระธรรมคำสอนของพระองค์ก็เป็นมงคลสาวกของพระองค์ก็เป็นมงคลเนี่ยนะพระองค์นี้ชื่อว่าเป็นบุรุษสีหะเพราะพระองค์นี้ไม่สะดุ้งนะไม่มีใครทําให้พระพุทธเจ้าตกใจได้พระองค์นี้เป็นบุรุษหน้าเพราะพระองค์นี้เป็นใหญ่พระองค์เป็นบุรุษอาชาในเพราะรู้พร้อม พระองค์เนี่ยเป็นบุรุษนําธุระไปด้วยอาจว่านํากิจธุระของโลกไปเนี่ยนะก็คือด้ามารับเป็นธุระให้แก่ชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกทั้งหมดนะนะมีใครจะรับแบบนั้นบ้างนะรับเป็นธุระชักชวนให้เขาเนี่ยออกจากวัฏฏะนะเป็นธุระชักชวนให้เขาพ้นเนี่ยจากโลกทั้งมวลนะ่ะลาดับนั้นพระสารีบุตรประสงค์จะแสดงคุณวิเศษที่ได้แต่ยานอันหาที่สุดไม่ได้มีเดชเป็นต้น เมื่อแสดงความที่เดชเป็นต้นเหล่านั้นน่ะมียานอันหาที่สุดไม่ได้เป็นมูลจึงกล่าวว่าอนันตยาโนความว่าพระองค์เนี่ยมียานเว้นจากที่สุดด้วยสามารถแห่งคุณและด้วยสามารถแห่งสภาวะคือตัวคุณของปัญญาเนี่ยหาที่สุดไม่ได้เนี่ยนะกว้างขวางประดุดอากาศเหมือนกันสภาวะของปัญญาก็เป็นสิ่งที่กว้างขวางหาประมาณไม่ได้พระองค์นี้ชื่อว่าอนันตเชตอนันตเตโชเนี่ยนะเตโชก็คือเดชนะเนี่ย ความว่ามีเดชเกิดแต่ยานอันหาที่สุดไม่ได้ด้วยการกําจัดความมืดคือโมหะในสันดานของเวนยสัตว์นนะมั้นญานของพระองค์เนี่ยเป็นยานชั้นเยี่ยมเพราะว่าเป็นยานที่กําจัดโมหะในสัตว์ทั้งหลายได้อะบทว่าอนันตะยะโสความว่าทรงสรรเสริญเสียงสรรเสริญอันหาที่สุดไม่ได้แผ่ไปในสามโลกด้วยปัญญาคุณนั่นแหละ น, นะพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่ ถูกได้รับการยกย่องทั้งในเนี่ยการบรโลกรูปะโล ก, รปปรโลกอรู ป, ประโลกเขาสันเสริญคุณของพระพุทธเจ้าตั้งแต่สองพันกว่าปีมาแล้วเนี่ยนะก็สันเสริญมาทุกวันนี้ก็ยังสันเสริญอย่างเวลานี้เป็นเวลาสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยนะมีหลายแห่งที่สวดอิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณนะสัมปันโนสุขโตเนี่ยเสียงสันเสริญพระพุทธเจ้ามีอยู่ทั่วไปเนี่ยนะอันเป็นผู้ที่ได้รับการสันเสริญมากเนี่ยนะ พระพระองค์เนี่ยจึงเป็นผู้ที่ได้รับเสียงสรรเสริญหาที่สุดมิได้อัน น, นก็เพราะพระองค์เป็นผู้มีปัญญาอัตโทความว่าเป็นผู้สําเร็จด้วยความสําเร็จแห่งซัพย์คือปัญญาเนี่ยนะพระองค์เนี่ยเป็นผู้มีทรัพย์คือปัญญามหัทโนความว่าชื่อว่ามีทซั์มากเพราะถาว่ามีทรัพย์คือปัญญาเป็นไปมากด้วยความมากตามสภาวะแม้มากด้วย รั์คือปัญญาเนี่ยนะว่าเป็นผู้ที่มีปัญญามากนะเพราะปัญญานี่เป็นเป็นเหมือนรั์อ่ะนะจริงๆแล้วปัญญามีคุณยิ่งกว่ารัพ์ทั้งหลายในโลกนี้อีกทั้งหมดอันถ้ามีปัญญาสักอย่างเดียวเนี่ยนะับทั้งหลายในโลกนี้ก็สำเร็จแก่บุคคล น, นั้นเพราะว่าทรัพ์ในโลกนี้เป็นของคนมีปัญญาเหมั้น